จัอทร์พรท่านครูอาจารย์แล้วก็ น, นักศึกษาสถาบันพ บ, พบนะฮะซึ่งที่กินข่าววันนักศึกษาเนี่ก็เป็นความเป็ น, นที่แสดงความใฝ่รู้น ะ, ะก่อนอื่นเนี่ยเมื่อจะพูดถึงความขัดแย้งเนี่ยต่มายอยากจะให้ทําความเข้าใจว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไป มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องระ ง, งับกันอยู่เรื่อยไปปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามเทียบเปลี่ยนแนวนคิดให้เป็นเรื่องการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลียป่ยนความขัดแยง้งหมายถึงว่าทําให้เป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงบทบาทของาศาสนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่การระ ง, งับความขัดแยง้งเท่านั้นแต่ว่าอาจจะต้องหมายถึงการแปลเปลียป่ยนความขัดแยง้งและบางครั้งไอจ้จําเป็นต้องเป็นตัวจุดประกายแหงความขัดแย้งขึ้นมาด้วย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 แต่สุดท้ายเราก็ยอมรับแล้วว่าสงครามเวียดนามนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องและมันคือบาดแผลของของประเทศอเมริกาทุกวันนี้ในตอนเน้นมอนใ น, นแง่ น, นี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยาศาสนาจาเป็นต้องเป็นตัวตด จ, จุดประกาศความขัดแย้งขึ้นมาแต่จุดยืนคือความถูกต้องและวิธีการคือสันติวิธีนะอันนี้ปรัประเด็นนี้อาตมาคิดว่าทําความเข้าใจไปเบื้องต้น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 การเบียดเบียนการออกเอาเปรียบนะฮะหรือว่านําไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นนะจุดยืนของศาสน า, า, าเนี่ยต้อมาคิดว่าจุดยืนใหญ่ๆเนี่ยของศาสน า, าในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยอันที่หนึ่งคือว่ายึดถือเอาความถูกต้องความเป็นธรรมสารติภาพสันติธรรมเป็นที่ตั้งนะถ้ามันมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นก็จะต้องพยายามที่จะเข้าไปช่วยให้เกิดความายุติธรรมเกิดขึ้น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 ซึงงง่งถึงที่สุดแล้วเป็นประโยชน์ของทุกฝ่ายเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนะฮะไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในระยะยาวนะฮะอันนี้บทบาทของศาสนาในการที่จะช่วยแปลเปลี่ยนความขัดแจ้งเนี่ยมีอะไรบ้างต้องมาคิดว่าอย่างแรกเลยนะก็คือหนการเตือนสตนะิการเตือนสติเตือนสติในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเสนอเตือนสติให้มีคันติธรรม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 สัตรูคความโกรธความเกลียดความหลงความโลภสิ่งที่เราต้องทำคือทําให้เขาตระหนักได้เห็นว่าไอความโกรธความเกลียดเนี่ยเนี่ยมันมันคือปัปัญหาสําคัญมากกว่าศา ส, สนาต้องช่วยทําให้อีกฝ่ายนึงไม่ลูกแต่โทสะแต่สามารถที่จะฟังได้อย่างมีใจที่เปิดกว้างและมีสติรู้เท่าทันความโกรธของตัวเองนะบางครั้งไอต้องมีกติกานะฮะ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 ในส่วนก็คือว่าเนี่ยส า, สาประเด็นนี้คือสิ่งที่าศาสนานี่จะเข้าไปมีมบทบาทได้คือหนึเตือนสติ2เป็นแบบอย่างและ3นะร่วมมือกันนะเพื่อระงับหรือป้องกันหรือแปลเปลี่ยนความปัดแย้งขึ้นมาแล้วก็ก็คิดว่าได้เวลาแล้วก็ขอริ้จิตเท่านี้ก่อน